ทรงห้ามยกปาฏิโมกขึ้นแสดงโดยย่อสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการยกปาธิโมกขึ้นแสดงโดยย่อจึงยกปาธิโมกขึ้นแสดงโดยย่อทุกครั้งภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคกรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงยกปาธิโมกขึ้นแสดงโดยย่อภิกษุสงฆ์หมู่ใดยกขึ้นแสดงต้องอาบัตทุกกฏ